กิตนิมนต์เมื่อพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสสามคืนแล้วฉันเช้าเสร็จก็กลาบลาไปลัดผ่านสนามบินไปวัดป่าท่า น, นาเวงแต่ไม่พักข้ามบ้านนาหัวบ่อแล้วแวะทางซ้ายข้ามบ้านพอพักนอนบ้านคำขางพักวัดป่าลางที่ท่านพระอาจารย์ดีสร้างไว้พักหนึ่งคืน ตื่นเจ้าได้เวลาเข้าไปบินบาบบ้านคําขาพอไปได้สองเลือนเขามาแย่งบาดไปที่เลือนเขาทําบุญบ้านเขาพอดีขออภัยที่มาหิ้วเอากลางทางเพราะไม่รู้จักว่าพระคุณเจ้ามาเห็นจะมาค่ํานะขอรับเอออาตมาเมื่อคืนมาค่ําจริงพบเด็กคนหนึ่งเขาชี้ที่พักวัดล้างให้อาตมาไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ส่งน้าด้วย ถ้าจะให้อาตมาไปจริงๆก็เอาน้ำมาที่ชายป่านี้ให้อาตมาล้างเท้าล้างหน้าบา้านเขาเอาน้ำมาโดยด่วนเขาบอกว่าน้ำสะอาดไม่มีตัวสัตว์ดอกบ้านเขาอยู่กลางป่าละมะ่อกําบังที่ไหนก็ได้ล้างเช็ดแล้วก็ไปเรือนเขาแต่เขาก็ล้างเท้าให้อยู่มีพระอยู่เรือนทำบุญเขาประมาณแปดองค์ไม่ได้สวดภาหงเขาเอาบาตรตั้งไว้แล้วใส่บาตรเสร็จรับศีลห้า แล้วถวายเป็นสังคัตจะข้าพระเจ้าขอโอกาสพระท่านผุกปลกท่านบอกว่าเคยข้ามทำขามลูกนั้นไปกราบหลวงปู่มั่นอยู่บ่อยๆทั้งโยมด้วยทั้งพระด้วยพอเสร็จการฉันแล้วเขาเอาผ้ามาถวายตรหนึ่งและเตียนพึ่งผ้าในกองบุญนั้นมีอยู่ประมาณห้าไตรมูลค่าประมาณสามร้อยบาทสมัยนั้นเงินแพงข้าพระเจ้ารับกับเขาเป็นพิธีแล้วกล่าวว่า อาตมารับโดยเขารบแล้วจะพิจัยถวายพระเนรต่อโดยเขาลบเดี๋ยวนี้เพราะสบงจีวรก็ตัดเย็บย้อมไปจากหลวงปู่มั่นปีนี้มิได้ขาดเขือนดอกอาตมาเดินทางมาพบเหตุก็ว่าได้เขาตอบว่าเป็นบุญของพวกกระผมบรรดาเองพวกกระผมมิได้วิจารณพระคุณเจ้าในทางแง่ลายเลยครับจะอย่างไรก็ตามให้สนองพวกกระผมบ้างได้ตอบเขาไปว่า อาตามาก็ไม่ได้หวดมกน้อยเลยและก็ไม่ได้หวดารวยเลยพระเนนของเราที่นี้ก็มีมากเอาไว้วัดเหล่านี้แหละถ้าอาตามาขืนเอาไปหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ในวัดป่าบ้านหนองกรือก็จะวิจารณ์อาตามาอีกคล้ายกับว่าไปเที่ยววิเวศหารายได้ปัจจัยสี่และก็จะกลับวัดเดิมอยู่แล้วซ้ำถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะฝากมูลค่าปัจจัยไปทีหลัง เออก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกละหนีเสือก็ไปพบราชสีถ้าอย่างนั้นก็เอาพึ่งก้อนนี้และเทียนเล่มบาทคู่นี้ซะเออจะเอาแต่เทียนเล่มบาทคู่นี้แหละจะเอาไปทําวัดหลวงปู่ให้พวกท่านได้บุญด้วยก็เลยเหมาะกันในเรื่องนี้พอดีพองามแล้วก็ลาจากกันเขาบอกว่าจากนี้ไปหาหลวงปู่มั่นก็ภายในเที่ยงวันก็ถึงดอกเขาให้คนไปส่งคนหนึ่งออกจากบ้านเขาตรงทิศตะวันตก ล่องชายเขาเป็นป่าบ้างป่าไม้ไร่เลยป่าไปเขาไปส่งประมาณหกเส้นพอจะไม่หลงทางแล้วก็บอกให้เขากลับคืนเขาบอกว่าอย่าหลงปลีกเส้นนี้เลยขอลําแล้วเขาก็กลับตั้งหน้าเดินภาวนาพอไปอีกประมาณ15นาทีมีหนองน้ำใหญ่อยู่ข้างใจมือไกลจากทางประมาณห้าวาวายนอนน้ำอยู่ประมาณสิบตัวมีแต่ตัวอ้วนๆล่ำๆทั้งนั้นพอเห็นมันก็ลุกลึบขึ้น ขีนหน้าสู้แกว่งเขาใส่ทั้งเดินทั้งพูดกับควายว่ากูก็ไปตามกูสู๋ก็อยู่ตามสูอย่าได้มีเวรมีภัยแก่จันแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่มีอันตรายใดๆแล้วเดินทางไปอีกประมาณสิบห้านาทีก็เข้าป่าไผ่อนิจจาทุกขาบันดาลให้หลงทางไม่รู้ว่าเส้นใดต่อเส้นใดสับสนกันหลงไปหลงมาวนเวียนอยู่ในป่าไผ่หลงอยู่นั้นประมาณสิบห้านาที และก็เป็นฤดูร้อนและเหงื่อแตกโชคโจนป่าไผ่นั้นไม่มีลมโกกเลยร้อนอบอ้าวได้ยินเขาฟันขวานเปิงๆอยู่ไกลประมาณแปดเส้นรีบตรงไปหาเขาเกรงเขาจะเงียบก่อนแต่ไปยังไม่ทันถึงเขาเขาหยุดฟันก่อนก็เลยยืนดักฟังได้ยินเสียงพูดกันรีบเข้าไปอีกจึงเห็นตัวเขาผัวกับเมียมีลูกผู้ชายคนหนึ่งประมาณหกเจ็ดขวบพอเห็นเขาถามเลยว่า มาจากไหนขอรับได้ตอบเขาว่ามาจากบ้านคําขาเออพวกกระผมก็อยู่บ้านคําขานั่นเองมาล้อมลัวไล่ท่านจะไปไหนคำได้ตอบเขาไปว่าจะไปหาหลวงปู่มั่นบ้านหนองฝือออกไปเที่ยววิเวจจากองค์ท่านนั้นตั้งแต่เดือนสิบสองแต่ออกไปทางบ้านพระคำปูเดี๋ยวนี้หลงทางแล้วขอให้โยมช่วยบอกจะเป็นกุศลมิแช่น้อยเลยเพราะโชคโจรวนเวียนอยู่ในป่าไผ่นี่นานแล้ว ว่าแล้วโยมก็สั่งภรรยาว่าจงอยู่กับลูกที่นี้สักประเดี๋ยวเราจะไปส่งพระแล้วเขาจะสะพายเอาบาดเลยพูดกับเขาว่าบาดเบาๆดอกไม่นักจงถือเอามีดเดินออกก่อนอาตมาเล็ดลอดไปตรงไปใส่ทางก็พอเหมาะแล้วเพราะโยมทํางานฟันขวานเปิงเฟิงอยู่ก็คงเหนื่อยมากแล้วเขาไปส่งประมาณสิบเส้นก็ถึงหลังเขาก็พบผลทางสว่างใจมากพูดกับเขาว่า โยมเอย๋ยอาตมารู้แล้วสว่างจ้าในสัญญาความจําเพราะหมู่พระอาจารย์มหาได้พามาเอาตราดไม่กว่าที่นี้อาตมาได้นั่งมัดเอาตราดอยู่ที่ก้อนหินก้อนนี้โยมยกมือใส่หัวแล้วกลับไปให้พรโยมย่อๆพอเหมาะเวลาท่านพระอาจารย์มั่นถามภาวนาเป็นอย่างไรตั้งใจเดินตรงตามทางมาถึงวัดหนองผือเอาบาดไปไวหวศาลาพักอยู่สักครู่หนึ่งเวลานั้น ตะวันประมาณบ่ายโมงสาสิบนาทีสายตาจับอยู่ที่กุฏิหลวงปู่ไม่ชา้าก็เห็นท่านออกมาที่ระเบียงขององค์ท่านจึงได้งมผ้าเฉวียงบาตรถือฝาบาตรใส่เทียนที่เอามาจากบ้านคําขาและใส่ไม้สีฝันค่อยๆเดินไปหาองค์ท่านแลเห็นใกล้บันไดองค์ท่านปลาลดเย็ยนๆเบาๆว่าท่านล่านี้มาจากไหนหนอเดินย่องๆมาคนเดียวนิสัยก็แปลกหมู ชอบไปคนเดียวมาคนเดียวส้นเท้าก็แหลมแหลมเดินไปมาปรากฏดังตึงๆที่ว่าแปลกหมู่นั้นองค์ท่านก็ไม่อธิบายว่าแปลกไปทางดีหรือทางชั่วแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เรียนตอบสักคำเลยเพราะเข้าใจว่าองค์ท่านพูดไปตามเรื่องขององค์ท่านและเป็นเรื่ององค์ท่านทดสอบเราว่าจะทั้งเดินทั้งพูดทั้งลางทั้งเช็ดเท้าหรือไม่พอกราบเสร็จแล้วท่านก็ถามกระนําต่อไป ทั้งคำเก่าและคำใหม่ปะปนกันไปตะพืดยกมือกราบเลียงว่ามาจากถ้ำผาเด่นท่านถามว่าภาวนาเป็นอย่างไรกราบเลียงท่านว่าลดจิตใจวิเวกวางเวงความไหวการยืนเดินนั่งนอนสติอยู่กับกายและใจเหลียวซ้ายแหลขวาเหยียดแขนคู่แขนรู้อยู่แทบทุกอิริยาบถจิตใจอ่อนโยนในพุทธธรรมสง์น้าตาไหลไม่ค่อยขาด การกลัวสัตว์ลายหรือผีไม่ค่อยมีจะมีมาบางอารมณ์ก็งูใหญ่นึกในใจบ้ า, บาว่าถ้านั่งภาวนาอยู่มันมาคาบกืนลงไปทีเดียวก็ได้แต่อารมณ์ชนิดนี้มาคู่เดียวก็ขับมันหนีไปได้แต่นานๆนมันจึงจะมาอีกองค์ท่านตอบว่ากลัวมันทำไมงูมันกินเข้าไปก็ยันทองมันสิว่าแล้ว องท่านก็ยิ้มแล้วองค์ท่านก็ปล่อยโอกาสให้เล่าถวายต่อไปกราบเรียนต่อไปว่าวันหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนกําหนดลมออกเข้าเมื่อลมละเอียดลงไปปราลบขึ้นมาว่าเออท่านผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้ามีท่านผู้ตะเกียบตะกายอยากพ้นก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ผู้ไม่มีข้อวัดอันใด เพื่อหลุดเพื่อปนก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมออกเข้านี้ในเวลาวิจารณ์อยู่นั้นรู้พร้อมกันกับลมออกเข้าไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังแล้วเกิดความพอใจลองขึ้นจนสุดเสียงแล้วขู่ตนว่ามันจะเป็นบ้านะตอบตนเร็วด่วนว่าถ้ารู้ว่าตนจะบ้าก็อย่าบ้าสิคิดถูกประการใด กาบเรียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดกรุณาแก้ไขด้วยเถินองค์ท่านทอดสายตาลงต่ำขนาดหนึ่งแล้วจึงกรุณากล่าวว่าเออพิจารณาตามเป็นจริงของธรรมส่วนนี้ว่าแล้วองค์ท่านก็เรียกหาสัมมะเนนบุญเพลงเ อ, อ๋ยเอาบริขารของเธอไปไว้กุฏิเดิมของเธอนั้นออกมาจากถ้าใหม่ๆจะได้อยู่ที่เย็นๆตามเคยแล้วก็ขอโอกาสทวัดและต่อนิสัย เสร็จแล้วองค์ท่านถามต่อไปอีกว่าได้ยินเขาว่าเปลือกนองมีอยู่ที่ถ้ำผาแดนเป็นต้นใหญ่โตได้เห็นหรือไม่เรียนตอบท่านว่าไม่ได้สังเกตและก็ไม่รู้จักต้นของมันด้วยขอรับองค์ท่านกล่าวว่าเราต้องการทุบแล้วเอามาปูต่างอาสนะนั่งโลกฤทธิ์สีดวงทวารเราพอบรเทาไปบ้างพอส่งขึ้นมาประชุมฟั่งเทศตอนหนึ่งทุ่มองค์ท่านปลาลขึ้นว่าถ้าจะให้คุณลา ไปหาเปลือกน่องถ้ำผาแดนเธอก็มาใหม่ๆเดี๋ยวนี้กําลังเหนื่อยและอั้งโลที่เธอทําไว้สีห้าอันก่อนออกวิเวศก็แตกหมดแล้วเพราะไม่มีใครทําเป็นไม่อยากให้เธอไปละทีนี้เพราะขาดผู้ชายหลายหน้าที่หยาบๆหนักๆไปองค์หนึ่งในวัดพระอาจารย์มหาบัวกลาลบขึ้นว่าก้าจะไปเองดอกพรุ่งนี้พอถึงวันองค์ท่านก็ไปองค์เดียวด้วยสีเท้าเพราะสมัยนั้นสีเท้าทั้งนั้น ข้าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าขาดเนในใจไม่ผิดการที่พระอาจารย์มหาบัวไปเอาเปลือกน่องท่ำผาแดั น, นีีไม่ใช่ไปด้วยภาพพจนโง่ๆเลยหนึ่งเพื่อรับใช้หลวงปู่โดยเคารพและศรัทธาสองเพื่อสอบว่าท่านล่ามาอยู่ท่ำผาแดนหนึ่งเดือนแต่ผู้เดียวจริงหรือถ้าหากว่ามาอยู่จริงปฏิบัติไปแบบใดคุกขีกับญาติโยมขนาดไหนฉันในบาตหรือนอกบาต อยู่แบบข่มใจหรือพอใจคำพูดขณะอยู่ถ้ำและขณะกับญาติโยมในวันพระนั้นพูดไปเทศไปแบบใดบ้างเหล่านี้เป็นตน้นแต่ข้าพเจ้าคาดคานีแล้วก็ไม่เดือดร้อนกลับดีใจว่าโชคดีมีครูบาอาจารย์ผู้สำคัญไปสืบเป็นพยานพอองค์ท่านไปประมาณอาทิตย์กว่ า, ก, วาก็ได้เปือกน่องมาจริงแล้วองค์ท่านไปเพียวพูดกับหมูลับหลังว่าท่านล่านี้ นับเข้าเป็นหมู่กับพวกเราได้นะผมไปสืบดูแล้วไม่มีสิ่งที่จะดูถูกท่านได้แต่ข้างหน้าใครๆก็มองกันไม่เห็นได้ถ้าหากว่าต่างก็มุ่งหลุดมุ่งพลนต่างก็ตะเกียบตะกายสูงใจสูงธรรมขึ้นในตัวดอกนี้เป็นคำพูดของพระอาจารย์มหาบัวพูดกับหมู่ลับหลังข้าพระเจ้าได้ฟังหมู่เล่าให้ฟังแล้วก็พิจารณาเป็นกลางๆไม่รับไม่ปัดไม่ว่าใครๆในโลก ทำดีประจำวันอยู่ก็นับวันสูงขึ้นแห่งความดีไม่ว่าทางโลกีหรือโลกุตตระความชั่วถ้าทำประจำวันคืนก็นับวันพอ่อคูนสูงขึ้นทางฝ่ายชั่วแต่ความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายเป็นของตรงกันข้ามอยู่ล่าไปความดีเป็นฝ่ายเหตุที่พระพุทธศาสนาส่งเสริมความชั่ว เป็นฝ่ายที่พระพุทธศาสนาทง่งกีดกันผู้ที่รู้จักเหตทุทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วกับผู้รู้จักผลฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั้นก็มีความหมายของธรรมอันเดียวกันและก็ไม่เลือกชั้นวันนะด้วยบาปบุญคุณโทษมรรคผลนิพพานเป็นธรรมฝ่ายทรงอยู่มีอยู่แบบกังกลางบรรจงไม่ขึ้นอยู่กับเพศชั้นวันนาไม่ลำเอียงด้วยอคติใดๆแห่งชั้นวันนาและพักพวกแล้วแต่ใครจะสร้างเอา การไปวิเวกในป่าในดอนดงภูเขาไม่ใช่ไปเล่นสนุกสนุกเพื่อมาอวดเอาคะแนนอะไรในโลกมันเป็นเครื่องทดสอบตนอยู่ในตัวแห่งรสชาติของจิตใจว่าศรัทธาและปัญญาสมดุลกันหรือไม่วิริยะความเพียรในธรรมกรรมฐานสติระลึกชอบในกรรมฐานสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานจะสมดุลกันขนาดไหนลดจิตลดใจได้ดื่มแล้วหรือประการใด กรรมวิตกความตึกในทางกรมพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเมื่อจิตเข้าถึงปฐมมชันสิ่งเหล่านี้สงบลงแล้วเมื่อถอนออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้กําเลิกขึ้นหรือไม่ไม่กําเลิกนั้นด้วยวิธีไหนก็ให้รู้วิธีนั้นกำเลิกด้วยวิธีไหนก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นขาดไปแล้วด้วยวิธีไหนก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นการวิตก พยาบาทวิตกนิถิงสาวิตกมีคุณเจื้อพนกับโทษหรือไม่หรือเป็นโทษล้วนๆไม่เป็นคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นเป็นจริงชัดหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงจำมาด้วยสัญญาความเคยชินเคยหูก็หัดปากว่าไปเหมือนแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทดสอบตัวเองให้ได้ความชัดทั้งนั้นนิฉะนั้นแล้วการปฏิบัติก็สุม 4, สี่สุมห้าคล้ายกับว่า ทั้งซื้อทั้งขายแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนหรือได้กำไรแต่ละวันแต่ละวันแม้จะอยู่กับที่กับวัดก็ต้องตรวจตนเตือนตนอยู่แบบนี้เป็นคราวๆเสมอๆจะละเว้นจนเหลืองเจิ่งก็ไม่ได้อีกวิธีทดสอบตนเองขณะภาวนาเราไปพักวิเวกบางแห่งไม่มีแขกมาสุงสิงสถานที่ก็อำนวยพอควรด้านพิษขาจารยร์ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะัก วันหนึ่งคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะฉันขนาดไหนจึงพอดีเราจะเปลี่ยนอิริยาบถขนาดไหนจึงเหมาะเราจะหลับขนาดไหนจึงจะเหมาะเราจะปันเวลาขนาดไหนจึงเหมาะเราหลับขนาดนี้ภาวนาได้ความยังไรเราดื่มขนาดนี้ภาวนาได้ความยังไรเราฉันขนาดนี้ได้ความยังไงด้านภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องทดสอบตนเองเพื่อจะได้เอาออกใช้ปฏิบัติ ให้ได้ผลเฉพาะส่วนของตนเราตั้งกรรมฐาอนอันนี้ไว้เป็นหลักพิจารณาเราได้รับผลอย่างไรเช่นพิจารณากายเรากําหนดลมออกเข้าได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาพุทโธได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาเมตตากรุณาได้ผลเป็นอย่างไรเราเพ่งอาโปเตโชวาโยปัตวีได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาอนิจจังได้ผลเป็นอย่างไร เราพิจารณาทุกขังได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาอนัตตาได้ผลเป็นอย่างไรเราพิจารณาใจทั้งหมดทำทั้งหมดรวมลงในผู้รู้แห่งเดียวในปัจจุบันได้ผลเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะได้รู้จริงชัดจริงในภาพพจน์ตนไม่ต้องสงสัยถามไขรทั้งนั้นแต่จะปฏิเสธในการถามก็ไม่ได้จะปฏิเสธในการฟังก็ไม่ได้ไปหน้าเดียวควรมีการทดสอบอีก ถ้าเรารู้ชัดปฏิบัติชัดตอนไหนไหนตอนนั้นๆไม่กลับมาเดือดร้อนไม่เราสงสัยทางแข่งอีกตอนนั้นไม่ถามใครอีกก็ได้อุทาหรณ์แบบหยาบๆเช่นเราจิบเกลือก็รู้จักรสเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องถามใครๆว่ารสเกลือนั้นเค็มมันเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีประตูที่จะถามอีกเพราะเราได้จิบดูแล้วฉันใดก็ดีรสของธรรมะแต่ละชั้นแต่ละชั้น ก็โดยในเดียวกันจิตแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็โดยในเดียวกันเมื่อปฏิเสธในการถามไม่ได้ก็ปฏิเสธในการตอบไม่ได้เป็นบางลายเหมือนกันเพราะสัตว์โลกมนุษย์เทวดามานพรหมก็ดีตลอดพระอรหันต์ต่อพระอรหันตก็ดีก็มีการสังสรรค์ถามตอบกันอยู่ทั้งสองฝ่ายสมัมมติและปรมาณแม่สัตว์เดรัจฉนมันร้องเรียกกันถามตอบให้รู้ความหมายของกันและกัน เช่นบางกรณีมันกินอาหารอยู่หรือจับอยู่มันลองถามหมู่เพื่อนของมันหมู่ของมันได้ยินก็บินมาตอบหรือบินหนีตอบหรืออยู่ที่เก่าตอบเช่นเขาเบียดเบียนเราแต่เราไม่เบียดเบียนตอบจะว่าเราตอบเขาหรือไม่ตอบจะตอบก็ได้ไม่เป็นลายดอกเพราะเราตอบในทางดีตอบแบบไม่เบียดเบียนเรื่องอื่นยังมีอยู่อีกเพราะจิตตสังขารเป็นผู้ชายกายยาสังขารเขียนก็ต้องเขียนไป แต่อย่าทั้งเขียนทั้งเดือดร้อนทางใจก็แล้วกันแม้ผู้อ่านผู้ฟังก็เหมือนกันอย่าทั้งอ่านทั้งเดือดร้อนทั้งฟังทั้งเดือดร้อนก็แล้วกันเพราะเดือดร้ดอนนั้นมันเดือดร้อนให้ตนเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้กินอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดีกินให้ตนกินให้ท่านผู้อื่นไม่ได้ฉันใดก็ดีความเดือดร้อนก็เหมือนกันเราเดือดร้อนให้เขาถ้าเขาเดือดร้อนตอบความเดือดร้อนอยู่ในใจเราเขามารับหอบ เอาไปหาเขาหมดดอกหรือแม้เขาไม่เดือดร้อนตอบความไม่เดือดร้อนของเขามาหาเราหมดดอกหรือตกลงความเป็นธรรมแท้ของไข่ก็ของมันตามเดิมมีปาลดตามชั้นเราชั้นเขาตามเป็นจริงของสมมติแต่มีปรมัดควบอยู่แบบเจือปนม่ใช่ปรมัดตรตงตรงเพราะยังมีบุคคลาภิษฐานเจือปนกันเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ฟังผู้อ่านผู้พิจารณาเพราะพระสูตรพระวินยัย มีทั้งบุคลาทิษฐานธรรมาทิตฐานเจือปนกันอยู่พระปรมัตถ์ก็เป็นธรรมาทิตฐานมีธรรมเป็นที่ตั้งล้วนๆถามว่าผู้มุ่งปฏิบัติตามพระวินัยพระสุตรจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระปรมัตถ์กันหรือไม่ตอบว่าได้ปฏิบัติตามปรมัตถ์อยู่ในตัวแล้วเพราะคําว่าพระวินยัยก็วินัยกายวินัยวาจาวินัยใจคําว่าพระสูตรก็สูตรของกาย ของวาจาของใจผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระวินัยไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติพระสูตรไม่ได้ผู้ไม่มีใจก็ปฏิบัติใจคือพระปรารมาัดไม่ได้เป็นอันว่าพระปรารมาัดกล่าวถึงธรรมและใจล้วนๆแต่ให้เข้าใจว่าพระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีพระปรารมาัดก็ดีทุกคนย่อมปฏิบัติได้เว้นใจอันบ้าใบเสียจริต ผิดมนุษย์เสียเพราะไม่สามารถจะปฏิบัติได้สะดวกเพราะกรรมและผลของกรรมฝ่ายชั่วยังหนักอยู่คล้ายกับดอกบัวยังอยู่ใต้น้ําจะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เป็นมนุษย์ชั้นจัตวาฉะนั้นบ้าใบเสียเหลิกผิดมนุษย์นั้นพระบร ม, มศาสดาจึงไม่ทรงอนุญาตให้บวชแต่ไม่รู้ชัดรับบวชเมื่อบวชแล้วรู้ชัดเข้าให้นาสนาเสียคือให้ศึกเสียเพราะยังเป็นมนุษย์ไม่เต็มภูมิ ไม่ตรงกับคําถามอันตรายิกรรมต่อหน้าสงว่ามนุษย์สสิแล้วตอบว่าอามะพันเตเฉยเฉยไม่ตรงต่อความจริงเพราะบ้าใบายอยู่ถามว่าผู้เขียนชีวประวัติของตนเองอยู่เดี๋ยวนี้จะไม่เป็นบ้าอารมณ์ดอกหรือตอบว่าจะบ้าอารมณ์ยังดีกว่าบ้าแรงถามว่าบ้าแรงนั้นคืออะไรบ้างตอบว่าบ้าแรงนั้นคือเพลินในโลกสงสารโดยทายเดียว ไม่เหลียวแลทางปัญญาพาฟอกความหลงเป็นตน้นถามว่าคําว่าหลงหลงในที่นี้หลงอะไรบ้านครับตอบว่าหลงหนังที่งุ่มอยู่โดยรอบแห่งกายว่าสวยงามว่าเป็นของยั่งยืนว่าเป็นสุขว่าเป็นของตนเอาจริงจรงจังๆจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ตามความประสงค์แล้วก็เดือดร้อนทางใจเพราะผลลัพธ์เป็นฝ่ายสะท้อนเพราะเหยียดหลงหนังถามว่า ท่านผู้ไม่หลงหนังมีไหมเหล่าตอบว่าข้อนี้เป็นของตอบยากเพราะผู้ไม่หลงหนังไม่ได้เขียนใส่หน้าผากไว้แม้เขียนไว้ก็เชื่อไม่ได้เพราะเขียนหลวงก็มีเพราะการหลงหนังไม่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายและท่านผู้ไม่หลงก็ไม่ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นอยู่กับใจถามว่าใจมันเป็นตัวยังไงผมทำไมถึงไม่เห็นมันสักที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 ถามใครเป็นเจ้าของมันตอบมันเป็นเจ้าของเองถามมันเกิดมาจากไหนตอบมันเกิดมาจากมันเองถามอะไรพาให้มันเกิดตอบความหลงของมันพาให้เกิดถามมันหลงอะไรตอบมันหลงว่ามันเป็นมันเอาจริงจงจังๆธรรมะหลงผู่มั่นหันมาปลาลกต่อไปว่าในยุคบ้านหน้องถือในวาละผู้เขียนไปอยู่ด้วยกับองค์ท่าน ได้ยินองค์ท่านยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ตอบได้อย่างพึงภายว่าองค์ท่านไม่ได้ยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนใดๆเลยฉลอยผู้เขียนจะไม่รู้จักอินโนอินเนแล้วองค์ท่านจะไม่เล่าคําลับให้ฟังก็อาจเป็นได้หรือเกรงว่าผู้ฟังประมาทและไม่เชื่อก็อาจเป็นโทษแก่เขาก็อาจเป็นได้องค์ท่านจึงไม่เล่าให้ฟังส่วนธรรมะขององค์ท่านแสดงบางคราว เป็นธรรมะชั้นสูงมากเป็นต้นว่าไม่ว่าทำส่วนใดถ้าสัมคญตนว่าสเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นข้อนี้ประทับใจของข้าพเจ้ามากในเวลาที่องค์ท่านเทศอย่างนี้พระอาจารย์มหาบัวก็ฟังอยู่ที่นั่นด้วยมีพระสองสามองค์นั่งฟังอยู่ด้วยกันไม่มีพระอาคันตุ ก, กะมาปนแต่แปลกอยู่ว่าชีว่าประวัติของหลวงปู่มั่นได้พิมพ์มาหลายหลายครั้งตรวจ ด, ดูแล้ว ไม่เห็นทำข้อนี้ปนอยู่เลยชะลอยต่างองค์ก็ต่างจำมาได้คนระบทคนระบาทอันสำคัญมุตโตไทยตีพิมพ์ฉบับต้นขา่ขาขถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นทำชั้นสูงในเล่มนั้นกล่าวว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ูนนั้นใจความในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับภาพพดข้อนี้นี้เป็นทำชั้นสูงในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดเหตุผลที่จะไปอยู่ที่สูนย์ศูนนั้นหนังสือเล่มนั้น อธิบายว่าถ้าจะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้เพราะไปบวกกับเลขหนึ่งก็เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านดังนี้เป็นมติของผู้เขียนคืออาจารย์มหาเสงและอาจารย์ทองคําในยุคนั้นพระอาจารย์มหาบัวกําลังลักการวิเวทเที่ยวปฏิบัติโชคชลอยู่ไม่สูงสิงในการเขียนหนังสือข้าพระเจ้าพิจารณาอยู่แต่ลายๆว่าเหตุที่ศูนจะเป็นของมีค่าก็เพราะ มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วศูนย์ก็กลายเป็นโมฆะไปตามสภาพที่สมมติไม่ว่าแต่ศูนย์เลยชี่เป็ดชี้ไก่ก็ดีถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วย่อมเป็นของมีค่าทั้งนั้นซื้อขายเอาไปใส่ผักก็ได้ใครลักก็เป็นอาตินนาทานแต่พระนิพพานไม่เป็นหน้าดีจะแล่นไปหรือเดินไปอยู่ที่ศูนย์ศูนถ้าอย่างนั้น ศูนย์ก็เป็นตารนังขจามีของพระนิพพานพระบร ม, มศาษษสดากล่าวไว้เพียงแต่ว่าเปลวไฟอันกําลังลมเป่าเมื่อเปลวไฟดับไปแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปยืนยันและสมมติไปตั้งอยู่ที่นั่นที่มีหรืออะไรอะไรทั้งนั้นความขัดแย้งแห่งสงครามความเห็นถ้าความเห็นออกนอกรีบนอกลอยเป็นอัตตโนมัติของผู้ยังมีกิเลสหนาไม่เหมือนอัตโนมัติของพระอริยเจ้า ที่มัดเข้าหาทำฝ่ายอริยะเป็นบรรทัดเป็นแหวนเป็นกระจกเงาเป็นกล้องจุลทัศน์เป็นเครื่องวัดเครื่องตวงอันไม่เลยเถิดปราศจากเดาด้นคาดเนน่พร้อมทั้งมีสัมมาญาณอันท่องแฉไกลจากโลกียาวิสัยไปแล้วจะดึงลงมาเทียบ ก, กับโลโกโลกาโลเกเลโลกึงโลมึงโลกูย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วย ที่ว่าประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีของท่านองค์ใดๆก็ดีจะแต่งจะเขียนพิสดารหรือย่อก็ตามทีถ้าแก่นเรื่องของธรรมะยอดเรื่องของธรรมะชั้นสูงไม่สมเหตุสมผลแล้วปลาดผู้อา่านผู้ฟังก็ไม่ถึงใจถึงทำรรเท่าที่ควรไม่ชวนอยากอ่านไม่ชวนอยากฟังด้วยมิหนำซำ้ำถูกวิจารณ์ว่าไม่สมชื่อหรือชาปรากฏว่าโด่งดังอะไรกันในทางที่ชอบแท้ของธรรมะเมื่อผู้เขียน ไม่ใช่เจ้าตัวเขียนเองย่อมตีความหมายลงมาหาตัวของผู้เขียนเพราะเข้าใจอย่างนั้นชัดอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องอจินไตยเหลือวิสัยจะปูกขาดชีวิตของหลวงปู่มั่นในยุควัดป่าหนองผือธัญ น, นานิคมจังหวัดสกลนครเป็นยุคสุดท้ายของชีวิตองค์ท่านและสุดท้ายธรรมะชั้นสูงแห่งองค์ท่านอีกด้วยธรรมะขององค์ท่านส่วนอื่นอันเนกปริยายก็ตาม ตลอดข้อวัดปฏิบัติอันเด็ดเดี่ยวที่ทําส่วนตัวองค์ท่านก็ตามเพื่อทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังก็ตามย่อมเป็นเมืองขึ้นของคำที่องค์ท่านเทศว่าไม่ว่าทำส่วนใดถ้าสําคัญตนว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นเมื่อกล่าวว่าทำส่วนใดก็เป็นอันกล่าวถึงจิตส่วนใดอยู่ในตัวผู้รู้ส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยยานส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยสอแสดงให้เห็นว่า ทำลายอุปาทานในตัวแล้วจอ้อนมาป่าลบสับสนปนเปกันไปอีกเพราะนึกเห็นได้จำได้อันใดก็เขียนกันลงไปไม่ต่ออนุสนที่เป็นระเบียบสับสนโอลแมนเพราะไม่ฉ น, นานในการแต่งและการเขียนและก็คงไม่ได้ไปตรวจเอาคะแมนในสนามโลกใดๆทั้งสิ้นเลย